ชาณสภาคณะย496สหชาตปัจจ yup. ัยกับชานปัจจัยมีเจดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยกับชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจดวาระมัคคปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจดวาระ สัมปยุตตปัจจัยกับชาตะปัจจัยมีเจดวาระมัคคปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับชานะปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับชานะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระอวิกตปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระสามัญยคตนา 497อาปัจจัย5คือชานะสหชาตะนิสยาอัตติและอวิคตะมีเจ็วาระปัจจัย 6. คือชานะสหชาตอนญยมัญญานิสยาอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คือชานะสหชาตานญญมัญญานิสยาสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระ ปัจจัย6คือชานะสหชาตะนิตยาวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสาวาระในวงเล็บอวิปากะ4ปัจจัย6คือชานะสหชาตะนิตยาวิปากะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือชานะสหชาตานญญมัญญานิตยาวิปากะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย8คือชานะชาตะอัญญนิตยวิปากะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตตามีหนึ่งวาระปัจจัย7คือชานะสหชาตะนิตยาวิปากะวิปยุตตาอัตติและอวิคตตามีหนึ่งวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตาอัญญามัญญานิตยาวิปากะวิปยุตตาอัตติและอวิคตตามีหนึ่งวาระ ในมงเล็บสวิปากะ5สิอินทริยาคัตนา498ปัจจัย6คือชานะสหาชาตะนิตยอินทรียอาอัิและอวิคตะมีเจดวาระปัจจัย7คือชานะสหาชาติัญญามัญญานิตยอินทรียอาอัิและอวิคตะมีสาวาระ ปัจจัย8คือชานะสหาชาตะอัญญมัญญานิตัยอินทรียสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเจคือชานะสหาชาตะนิสัยอินทรียวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะสี่ ปัจจัย7คือชานะสหาชาตะนิสัยวิปากะอินทริยะอัติและอวิคตะมีสวาระปัจจัย8คือชานะสหาชาตะอัญญมั ญ, ญานิสัยวิปากะอินทรียานัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย9คือชาณะสหาชาตะอัญญามัญญานิตยาวิปากะอินทริยสัมปยุตตอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือชาณะสหาชาตะนิตยาวิปากะอินทริยวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย9คือชานะสหาชาตอนญยมัญญานิจิยวิปากะอินทริยะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมีหาวาระในวงเล็บสวิปากะ5สมัคคัตนา499ปัจจัย6คือชานะสาชาตะนิจิยมัคคะอธิและอวิคตะมีเจดวาระ ปัจจัยเคือชานะสหชาตอัญญมัญญานิตยมัคคะอธิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือชานะสหชาติัญญมัญญนิตยมัคคะวมปยุตตาอธิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คือชานะสหชาตะนิตยมัคคะวิปยุตตาอติและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิ ป, ปัจจัย7คือชานะสหาชาตะนิตยาวิปากะมัคคัติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8ดคือชานะสหาชาตะอิญามัญานิตยาวิปากะมัคคัติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะมัคคะัมปยุตตาอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะนิตยวิปากะมัคควิปยุตตาอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะมัคควิปยุตตาอัตติและอวิกตะ มีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5้สิอินตริยะมัคคคตนาห้ารปัจจัย7คือชานะสหชาตะนิตยอินตริยะมัคคะอติและอวิคตะมีเจดวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญมั ญ, ญนิตยอินทริยะมัคคะอติและอวิคะตะมีสามวาระ ปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตย์ยินตริยมัคคสัมปยุตตะอัตติและอวิคตตามีสามวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะนิตย์ยินตริยมัคควิปยุตตาอัตถิและอวิคตตามีสามวาระในวงเล็บอวิปากะ4 ปัจจัย8ดคือชานะสหชาตะนิตยาวิปากะอินตริยมัคคัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญานิตยาวิปากะอินตริยมัคคัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10บคือชานะสหชาตะอัญญมัญะนิตย์ วิปากะอินตริยมัคคะวิปยุตตาอธิและอวิคตตามีหนึ่งวาระปัจจัย9คือชานะชหชาตะนิตยวิปากะอินทริยมัคควิปยุตตาอธิและอวิคตตามีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคือชานะชหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินตริยมัคควิปยุตตาอธิและอวิคตตา มีหนึ่งวาระในมังเลศวิปากะหาชาณะมูลกนันในจบมขสภาคในห้ายเอ็ดเหตุปัจจัยกับมขปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจจัยกับมขปัจจัยมีเจดวาระสหาชาตปัจจัยกับมขปัจจัยมีเจดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับมขปัจจัยมีสามวาระ นิตยปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7ดวาระวิปากปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรีย์ปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7ดวาระชานปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีสวาระวิปยุตตาปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีสวาระอธิปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7ดวาระ อวิคตตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7ดวาระมัคคะสัมญะคตนา5้าปัจจัย5คือมัคคะสหชาตานิตยะอัติและอวิคตตามีเจดวาระปัจจัย6คือมัคคะสหชาตาอัญญมัญญานิตยะอัติและอวิคตตามีสามวาระ ปัจจัย7คือมัรคสหาชาตะอัญญมัญญนิตยสัมปยุตต์อัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คือมรรคตหาชาตะนิตยาวิปยุตตอัติและอวิคตะมีสาวาระในมุงเล็บอวิปากสีปัจจัย6คือมรรคตหาชาตะนิตยาวิปากะอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย7คือมรรคตหาชาติอัญญมัญญนิตยวิปากะอติและอวิคตมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือมรรคตหาชาติอัญญมัญญานิตยวิปากะสัมปยุตตาอติและอวิคตมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือมัรคทหาชาตะนิตยวิปากะวิปยุตตาอติและอวิคตมีหนึ่งวาระ ปัจจัย8ดคือมรคตาหาชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากะวิปยุตตาอธิและอวิกะตะมีหนึ่งวาระในวุงเล็บสวิปากะ5สิอินตริยคัตนา5้าปัจจัย6คือมรคตาหาชาตะนิตย์อินตริยอถิและอวิกะตะมีเจดวาระ ปัจจัยเจคือมรคตาสหัชชะตาอัญญมัญญานิตยอินทรียาอัตถิและอวิคตมีสามวาระปัจจัย8คือมรคตาสหัชชะตาอัญญมัญญานิตยอินทรียสัมปยุตตาอัตถิและอวิคตมีสามวาระปัจจัยเจคือมรคตาสหัชชะตะนิตยอินทรียวิปยุตตาอัตถิและอวิคตมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะ ปัจจัย7คือมัคคะสหาชาตะนิสยวิปากะอินทรียะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือมัคคะสหาชาตะอิ ญ, ญามัญญานิสยวิปากะอินทรียะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย9คือมรคสหาชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทริยสัมปยุตตาอติและอวิคตตามีหนึ่งวาระปัจจัย8คือมรคสหาชาตะนิตยวิปากะอินทริยวิปยุตตาอติและอวิคตตามีหนึ่งวาระ ปัจจัย9คือมัคคุเทศก์ชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรียวิปยุตตาอัตถิและอวิกะตะมีหนึ่งวาระในมงเลบสวิปากะ5 ส, สัจชาณ์คัตนา5้าปัจจัย6คือมัคคุเทศก์ชาตะนิตย์ชาณ์อัตถิและอวิกะตะมีเจดวาระ ปัจจัย7คือมัคคาสหาชาตะอัญญมัญญนิตยัชานะอธิและอวิคตมีสามวาระปัจจัย8คือมัคคาสหชาตะอัญญมัญญนิตยัชานะสัมปยุตตาอถิและอวิคต ะ, ะมีสามวาระปัจจัย7คือมัคคาสหาชา ต, ญญาตะนิตยัชานวิปยุตตาอธิและอวิคตะะมี ส, ม ว, ญญาา ม, สมวาระในวงเล็บอวิปากะ4 ปัจจัย7คือมรคธาตหะชาตะนิตยาวิปากชานะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือมรคธาตหะชาตอนญามัญญานิตยาวิปากชานะอธิและอวิคธามีหนึ่งวาระปัจจัย9คือมัคธาตหะชาตะอนญามัญญานิตยาวิปากชานะสัมปยุตตะอธิและอวิคธามีหนึ่งวาระ ปัจจัย8คือมรคตสหาชาตะนิตยวิปากะชานะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือมรคตสหาชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะชานะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สิอินตริยะชาณคตนา5้าหา ปัจจัย7คือมรคตสหชตัชชะตานิตย์อินทรีย์ชาณนะอตติและอวิคตตามีเจดวาระปัจจัย8คือมรคตสหัชชะตานิยามัญญานิตย์อินทรี ย, นะย์าณะอตติและอวิคตตามีสามวาระปัจจัย9คือมรคตสหัชชะตานิยามัญญานิตย์อินทรียชาะสัมปยุตตอตติและอวิคตตมีสามวาระ ปัจจัย8คือมรคาสหาชาตะนิตยอินทรียชานะวิปยุตตาอติและอวิคตะมีสามวาระในมือเลบอวิปากะ4ปัจจัย8คือมรคาสหาชาตะนิตยวิปากะอินทริยชานะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยเคือมัคคสศหาชาติอัญญมัญญนิตยวิปากาอินทริยาชานะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคือมัคคัศหาชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากาอินทริยาชานะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย9คือมัคคสหาชาตะนิตยาวิปากอินทรียาชาณวิปยุตตาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10บคือมัคคัหาชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากอินทรียาชาณวิปยุตตาอติและอวิขตมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สาธิปฏิอินทรียคตานา5้า ปัจจัยเจ็ดคือมรรคะอธิปติสหัชชตานิตยะอินทรียะอธิและอวิกระตมีเจดวาระปัจจัยเก้าคือมรรคะอธิปติสหัชชะตานญยมานยานิตยาอินทรียะวิปยุตตาอธิและอวิกระตมีสามวาระปัจจัยแปดคือมรรคะอธิปติสหัชชะตานิตยาอินทรียะวิปยุตตาอธิและอวิกระตมีสามวาระ ในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย8คือมรรคะอธิปติสหชาตะนิตยาวิปากะอินทรียะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10คือมรรคะอธิปติสหฮาชาตัญญมัญญานิตยาวิปากะอินทรียสัมปยุตตาอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย9คือมรรคะอธิปติจาชาตะนิตยาวิปากะอินทริยวิปยุตตาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในมงเลบสวิปากะ3สามสเหตุอินทริยคตนา507ปัจจัย7คือมรรคะเหตุศาชาตะนิตย์อินทรีย์อติและอวิคตะมีสวาระ ปัจจัยแดคือมรคคเหตุสหัชชะตานญยมัญญนิตยอินตรียาอติและอวิคตมีสองวาระปัจจัย9คือมรคคเหตุสหัชชะตาญญมัญญนิตยอินตรียาสัมปยุตตาอัติและอวิคตมีสองวาระปัจจัย8คือมรคคเหตุสหชาตะนิตยอินตรียาวิปยุตตาอัติ และอวิคตตามีสองวราระในวงเล็บอวิปากะสปัจจัย8คือมรคหาเหตุสหชาตะนิสยาวิปากะอินตรียะอติและอวิคตตะมีหนึ่งวาระปัจจ hm nee, er ัย9คือมรคหเหตุสหชาตะอิญามัญญานิสยาวิปากะอินตรียอัตัยและอวิคตตามีหนึ่งวาระ ปัจจัยสิบคือมรรคเหตุตสหะชาตาอิยญมัญญานิตยาวิปากะอินทรียสัมปยุตตอติและอวิคตมีหนึ่งวาระปัจจัยเก้าคือมรรคเหตุตสหะชาตานิตยวิปากะอินทรียวิปยุตตอัติและอวิคตมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคือมรรคเหตุตุสหะชาตานิยญมัญญนิตยาวิปากอินทรีย วิปยุตตาอัิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะห้าเหตตาทิปฏิอินทริยคตานาห้า้อปัจใจแปดคือมรคะเหตุอธิปฏิสหาชาตะนิตย์ยัอินทริยอัอัิและอวิคตะมีสี่วาระปัจใจสิบคือมรคะเหตุอธิปฏิสหาชาตาอัญญมัญญานิตย์ยั อินทรียสัมปยุตตาอัติและอวิคตตามีสองวาระปัจจัย9้าคือมรรคเหตุอธิปติสหชาตะนิสัยอินทรียวิปยุตตาอัติและอวิคตตามีสองวาระในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย9คือมรรคเหตุอธิปติสหชาตะนิสัยวิปากาอินทรียาอัติและอวิคตตามีหนึ่งวาระปัจจัย11 คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตาัญญมัญญ น, นิตยวิปากะอินตริยสัมปยุตตาอัธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจใจสิบคือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตานิตยวิปากะอินทริยวิปยุตตาอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระในมือเล็บสวิปากะสามมัคคะมูลกนยัยจบ สัมปยุตตสภาขณายห9เหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระศาชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระกัมมปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ วิปากาปจจัยก <S ess> ับสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระอินทรียะปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระชาณปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ สัมปยุตตะคัตนา510ปัจจัย6คือสัมปยุตตะสาชาตะัญญมัญญ า, น, านิตยะอถิและอวิกตะมีสวาระในมุงเล็บอวิปากะหนึ่งปัจจัย7คือสัมปยุตตะสหชาตะัญญามัญญานิตยาวิปากะอถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระในมือเล็บสวิปากะหนึ่งสัมปยุตตะมูลกานายัยจบ วิปปยุตตาสภาขณายห11เหตุปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีหวาระ อุปนิเตยปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีสมวาระกรรมปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยมีสมวาระ อินทรียปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสวาระชานปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยมีสวาระมัคคปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยมีสวาระอธิปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอวิคตตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี5วาระวิปยุตตามิสกะคตนา512 ปัจจัย3คือวิปยุตตาอัตติและอวิคัตะมีหวาระปัจจัย4คือวิปยุตานิตยัอัตติและอวิคัตะมีหวาระปัจจัย5คือวิปยุตตาอธิปตินิตยัอัตติและอวิคัตะมี4วาระปัจจัย 5. คือวิปยุตานิตย์อินทรียาอัตติและอวิคัตะมี3วาระปกินณกะคัตนา513 ปัจจ e, Come ัย4ี freely, <ins> ่คือวิปยุตตาปัจฉาชาตาอัติและอวิคตตามีสามวาระปัจจัย5คือวิปยุตตานิตยะปุเรชาตาอัติและอวิคตตามีสามวาระปัจจัย6คือวิปยุตตาอารามณนิตยะปุเรชาตาอัติและอวิคตตามีสามวาระปัจจัย8คือวิปยุตตาอารามณะอธิปติ นิตยะอุปนิตยะปุเรชาตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย6คือวิปยุตตนิตยะปุเรชาตะอินเริยอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสหชาตคัตนา514ปัจจัย5คือวิปยุตตสหชาตะนิตย์อัติและอวิคตะมีสามวาระ ปัจจัยหคือวิปยุตตาสหชาตานญญมัญญะนิตยะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บอวิปากะ2ปัจจัย6คือวิปยุตตาสหชาตะนิยมิตยะวิปากะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือวิปยุตตาสหชาตอนญยมัญญะนิตยะวิปากะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะอง วิปยุตตะมูลกนในจบอธิสภาขณายห้าเหตุปัจจัยกับอธิปัจจัยมีเจดวาระอารมณปัจจัยกับอธิปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยกับอธิปัจจัยมี8ดวาระสหชาตปัจจัยกับอธิปัจจัยมี9้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยกับอธิปัจจัยมีสามวาระ นิตยปัจจัยกับอัติปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิตยปัจจัยกับอัติปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับอัติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับอัติปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอัติปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยกับอัติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับอัติปัจจัยมีเจ็ดวาระ อินเตรียปัจจัยกับอธิปัจจัยมีเจวาระชานปัจจัยกับอธิปัจจัยมีเจวาระมัคคปัจจัยกับอธิปัจจัยมีเจวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับอธิปัจจัยมีสวาระวิปยุตตะปัจจัยกับอธิปัจจัยมีหวาระอวิคัตปัจจัยกับอธิปัจจัยมี13วาระอธิมิสกะคัตนา516 ปัจจัยสคืออัตถีและอวิกตะมี13วาระปัจจัยสคืออัตถินิสยาและอวิกตะมี13าวาระปัจจัยสาคืออัตถิอธิปติและอวิกตะมี8ดวาระปัจจัย4ี่คืออัตถิอธิปตินิสยาและอวิกตะมี8ดวาระปัจจัยสคืออัตถิอาหาระและอวิกตะมีเจดวาระปัจจัยสคืออัตถิอินทรียาอวิกตะมีเจดวาระ ปัจจัยสี่คืออถินิสยาอินทรียะและอวิคัตะมีเจดวาระปัจจัยสาคืออถิวิปยุตตะและอวิคัตมีห้าวาระปัจจัยสี่คืออถินิสยาวิปยุตตาและวิคัตมีห้าวาระปัจจัยหคืออถิอธิปตินิสยาวิปยุตตะและวิคัตมีสี่วาระปัจจัยหคืออถินิสยาอินทรียะ วิปยุตตาและวิกัตะมีสามวาระปกิณกะคัตนา517ปัจจัย4คืออัธิปัจชชาตะวิปยุตตะและอวิกัตะมีสามวาระปัจจัย3คืออัธิปุเรชาตะและอวิกัตะมีสามวาระปัจจัย5คืออธินิจยาปุเรชาตะวิปยุตตะและวิกัตะมีสามวาระ ปัจจัย4คืออธิอารมณะปุเรชาตะและอวิชชาตมีสามวาระปัจจัย6คืออธิอารมณะนิตยปุเรชาตะวิปยุตตะและอวิชชาตมีสาวาระปัจจัย6คืออธิอารมณะอาธิปฏิอุปนิตยปุเรชาตะและอวิชชาตมีหนึ่งวาระ ปัจจัย8คืออธิอารมณะอธิปติน goodness, iments, ิยตยอุปนิยตยปุเรชาตะวิปยุตตะและวิกัตะมีหนึ่งวาระปัจจัย6คืออธินิยตยาปุเรชาตะอินทรียวิปยุตตาและวิกัตะมีหนึ่งวาระสหชาตะคัตนา5้าปัจจัย4ี่คืออธิสหชาตะนิยตยและอวิกัตะมี9วาระ ปัจจัย5คืออัถิสหานชาตะอัญญมัญญานิตยและวิกัะมีสาวาระปัจจ mm. ัย6คืออัถิสหานชาตะอัญญามัญญะนิตยสัมปยุตตะและอวิกตะมีสาวาระปัจจัย5คืออัถิสหานชาตะนิตยวิปยุตตะและวิกตะมีสมวาระปัจจัย6คืออถิสหานชาติอัญญามัญญะนิตยวิปยุตตะและอวิกตะมีหนึ่งวาระ ในมึงเด็บวิปากะหปัจจัย5คืออธิษฐานชาตะนิตยวิปากะและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย6คืออธิษฐานชาตานญญมัญญะนิตยวิปากะและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออธิษฐานชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะสัมปยุตตะและวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย6คืออธิษฐานชาตะนิตยวิปากวิปยุตตาและวิขตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออธิษฐานชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากวิปยุตตาและวิขตะมีหนึ่งวาระสวิปากะในมุงเล็บสวิปากะ5อัอธิมูลกนันัยจบนัดติสภาขณย 5้าอนันตรัปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมีเจดวาระสมาันตรัปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมีเจดวาระอุปนิเตยปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมีเจดวาระอาเสวนปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิกตปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมีเจดวาระนัตถิคตนา5้ายี่สิบ ปัจจัย5คือนัตถิอนันตรสมนันตรอุปนิสัยแลวิกตะมีเจดวาระปัจจัยหกคือนัตถิอนันตรสมานันตรอุปนิสัยอาเสวนาลวิกตะมีสามวาระปัจจัย6คือนัตถิอนันตระสมานันตระอุปนิสัยกรรมะลวิกตะมีหนึ่งวาระนัตถิมูลกนัยจบวิกตตสภาคนัย ห้า้อยยสอ็ดอนันตรปัจจัยกับวิกัตปัจจัยมีเจ็ดวาระสมาันตรปัจจัยกับวิกัตปัจจัยมีเจดวาระอุปนิเตยปัจจัยกับวิกัตปัจจัยมีเจ็ดวาระอาเสวนปัจจัยกับวิกัตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับวิกัตปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับวิกัตปัจจัยมีเจ็ดวาระวิกัตตาคตนา ห2าปัจจัย5คือวิกัตตอนันตรสมานันตรอุปนิสตยะและนัตถิมีเจดวาระปัจจัย6คือวิกัตตอนันตรสมานันตรอุปนิสตยะอาเสวนาและนัตถิมีสาวาระปัจจัย6คือวิกัตตอนันตรสมานันตรอุปนิสตยะกามและนัตถิมีหนึ่งวาระวิกัตะมูลกนายจบ อวิคตสภาขณายห้ายี่สิบสองเหตุปัจจัยกับอวิคตรปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยกับอวิคตรปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับอวิคตรปัจจัยมีแปดวาระสหชาตปัจจัยกับอวิคตรปัจจัยมีเก้าวาระ อัญญามัญญะปัจจัยกับอวิกระปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับอวิกระปัจจัยมี13าวาระอุปนิตยปัจจัยกับอวิกระปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับอวิกระปัจจัยมีสวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับอวิกระปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับอวิกระ ตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอวิกรตปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับอวิกรตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับอวิกรตปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับอวิกรตปัจจัยมีเจ็ดวาระชาณปัจจัยกับอวิกรตปัจจัยมีเจ็ดวาระมัคคปัจจัยกับอวิกรตปัจจัยมีเจ็ดวาระ สัมปยุตตาปัจจัยก um. mm ับอวิคตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตาปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี13วาระอวิคตมิสกะคัตนา524ปัจจัย2คืออวิคตะและอัติมี13วาระปัจจัย3คืออวิคตานิตยและอัติมี13วาระ ปัจจัย3คือวิคตะอธิปติและอัติมี8ดวาระปัจจัย4ี่คือวิคตะอธิปตินิตยและอัติมี8ดวาระปัจจัยสคือวิคตะอาหาระและอัติมี7ดวาระปัจจัยสคือวิคตะอินตริยะและอัติมี7ดวาระปัจจัย4ี่คือวิคตะนิตยอินตริยะและอัติมีเจดวาระ ปัจจัย3คือวิกัตะวิปยุตตและอัตติมีหวาระปัจจัย4ี่คือวิกัตตนิสัยวิปยุตตและอัตติมีหวาระปัจจัย 5. คือวิกัตะอธิปตินิสัยวิปยุตตและอัตติมีสวาระปัจจัย 5. คือวิกัตานิสัยอินทรียวิปยุตตะและอัตติมีสวาระปกินณกะคัตนา5้ายยี ปัจจัย4ี่คือวิคตะปัจฉาชาตะวิปยุตตะและอัตติมีสามวาระปัจจัยสคือวิคตาปุเรชาตะและอัตติมีสามวาระปัจจัย5คือวิคตานิสยาปุเรชาตะวิปยุตตะและอัตติมีสามวาระปัจจัย4ี่คือวิคตาอารัมมณปุเรชาตะและอัตติมีสามวาระ ปัจจัยหกเกื้อวิกตะอารามณะนิตยะปุเรชาตะวิปยุตตาและอัตติมีสามวาระปัจจัย6กเกื้อวิกตะอารามณะอธิปฏิอุปนิทยปุเรชาตะและอัตติมีหนึ่งวาระปัจจัย8ปเกื้อวิกตะอารามณะอธิปฏินิตยะอุปนิทยปุเรชาตะวิปยุตตะและอัตติมีหนึ่งวาระ ปัจจัยหคือวิกตานิตยาปุเรชาต์อินตริยวิปยุตตะและอัตติมีหนึ่งวาระสหชาติคัตนา526ปัจจัย4คือวิกตตสหชาตานิตยาและอัตติมี9วาระปัจจัย5คือวิกตตสหชาติอัญญมัญญานิตยาและอัตติมีสาวาระ ปัจจัยหคือวิกตตสหาชาตานญญมัญญานิตยสัมปยุตตะและอัตติมีสาวาระปัจจัย 5. คือวิกตตสหาชาตะ น, น, นิตยวิปยุตตะและอัตติมีสามวาระปัจจัย6คือวิกตตสหชาตานญญมัญญานิตยวิปยุตตะและอัตติมีหนึ่งวาระในวงเล็บอวิปากะห ปัจใจห้าคืออวิกตตสหชาตะนิตยวิปากะและอัตติมีหนึ่งวาระปัจจัย6คืออวิกตตสหชาตะอัญญามัญญะนิตยวิปากะและอัตติมีหนึ่งวาระปัจจัย7ดคือวิกตตสหชาตะอัญญมัญญะนิตยวิปากะสัมปยุตตะและอัตติมีหนึ่งวาระ ปัจจัย6คืออวิคตตสหาชาตะนิทยาวิปากาวิปยุตตะและอัตติมีหนึ่งวาระปัจจัยเจ็ดคืออวิคตตสหาชาตะอนญญมัญญะนิทยาวิปากาวิปยุตตะและอัตติมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ 5. อวิคตตามูลกัยจบการนับอนุโลมแห่งปัญหาวานจบ